การฝึกตนเป็นความดีคนไม่ฝึกตนเป็นความไม่ดีเพราะตนเกิดมาในโลกนี้ยังไม่รู้แจ้งในสภาพความเป็นจริงของชีวิต เพราะฉะนั้นจึงได้หลงไหลไปต่างๆนานาไม่สามารถจะยืนหยัดอยู่ในความจริงได้ความทุกข์จ่อมเกิดจากความเดินทางผิดเหมือนอย่างคนหลงทางเดินวกไปเวียนมาอยู่ที่เก่า ก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้ง่ายๆต่อเมื่อมีผู้บอกทางที่ถูกต้องให้แล้วจึงเดินไปถูกได้ถึงจุดหมายปลายทางได้อันนี้ชั้นใดมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เมื่อยังไม่พบพระพุทธเจ้า หรือไม่ได้พบศาสนาของพระองค์ไม่ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ย่อมไม่สามารถที่จะรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถกูกได้ด้วยตนเองดีก็ทำชั่วก็ทำผิดก็เดินทางผิดไป ถึงขราวเดินทางถูกก็เดินไปชีวิตนี่มันจึงได้ขึ้นสูงลงต่ำก็อำนาจแทงการกระทำหรือความคิดเห็นผิดเป็นชอบดังกล่าวมานั้นดังนั้นจึงต้องฝึกตนฝึ ก, กจิตใจนี้ให้เกิดความรู้ความฉลาด ในสภาวะความเป็นอยู่ของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องจิตนี่แหละหา ก, กว่าไม่ฝึกให้ส ง, งบไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นมันก็หลงงวงอยู่ในโลกนี้เห็นบาปว่าเป็นบุญเห็นบุญว่าเป็นบาปเห็นสุขกว่าเป็นทุกข์เห็นทุกขกว่าเป็นสุขไป เมื่อมันเห็นกรงกันข้ามกับความเป็นจริงอย่างนั้นน่ะมันก็เป็นทุกข์สิมันจะเป็นสุขได้ยังไงอ่ะผู้มีความสุขนะ่ะมันหมายถึงว่าความว่ามีความเห็นถูกตามความเป็นจริงเมื่อเห็นบาปว่าอำนวยผลให้เป็นทุกข์ก็ต้องละบาปนั้นต้องเพียรละบาปนั้นให้หมดไปจากกายวาจาใจ เมื่อเห็นว่าบุญเป็นสิ่งอำนวยความสุขให้มันก็ต้องเพียรพยายามสั่งสมบุญนั่นให้เต็มความสามารถเพราะทุกคนนั้นต้องการความสุขเบื่อนายต่อความทุกข์ไม่มีใครจะต้องการความทุกข์มีแต่ต้องการความสุขเหมือนกันหมดแม้แต่สัตว์สิ่งเดรัจฉาน มันก็ต้องการความสุขเหมือนกันมันก็แสวงหาความสุขตามความรู้ความสามารถของมันนั่นแหละมนุษย์เราก็เหมือนกันเกิดมาแล้วก็มาแสวงหาความสุขตามสติปัญญาของใครของเราแต่สติปัญญาธรรมดาที่มันเกิดมา ด้วยกันเนะ่มันไม่แหลมคมพอไม่สามารถจะสอดส่องมองเห็นหนทางความสุขสูงขึ้นไปได้ดังนั้นคนเราจึงย่ำท้อกตอยู่ในเต่ความสุขชั่วคราวนี่แหละเกิดมาแล้วบุญกรรมตกแต่งให้มีอายะร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แล้ว กินก็ได้นอนก็รับเต้นรำขับร้องเด็ดสีติดสีทีเป่าอะไรก็เป็นท่านี้ก็เลยถือว่าการแสดงความสนุกสนานล่าเริงบันเทิงการกินอิ่มนอนหลับนี่ถือว่ามีความสุขแล้วก็เลยลืมตัววันนี้นะ นึ ก, กว่าตนจะได้รับความสุขอย่างนี้เรื่อยไปเลยไม่คิดแสวงหาความสุขสูงกว่านั้นนี่เป็นจุดสำคัญมากชีวิตของคนธรรมดาสามัญ น, นี่ดังนั้นให้พากันคิดพากันพิจารณาให้ดีมันติดจริงๆอ่ะติดอยู่ในความสุขครั่วคราวเนี่ยอย่างนอนอย่างนี้นะ ไม่รู้จักตื่นได้ถ้าหากว่าเราไม่มีข้อปฏิบัติเช่นนี้ไม่ได้วางระเบียบอย่างนี้ไว้แล้วผู้ประมาทละมิส น, นอนแหละนอนกับนอนสว่างเมื่อใดแล้วนะถึงจะตื่นขึ้นมาผู้ไม่ประมาทก็ยังสัวปุกตนให้ตื่นขึ้นทำความเพียรได้ เหตุต่งนั้นเราจรึงก็ได้มีระเบียบไว้พระสวดมนต์ทั้งเช้าทั้งเย็นก็เพื่อฝึกคนให้เป็นคนหมั่นคนขยันนั่นเองถ้าจะปล่อยให้เพียงจะทำความเพียร้วยตนเองเ อ, เอาลำพังเอาใครเอาเราอย่านี้ผู้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้มันก็แย่นี่มันก็นเหลวไหล ดำเนินข้อวัดปฏิบัติไปไม่ได้แม้ทายกทายกาก็เหมือนกันดังนั้นเราจึงได้มีการประชุมกันในวัดวะอารามฝึกขัดปฏิบัติธรรมร่วมกันเป็นการจูงใจผู้ที่มีศรัทธาอ่อนแอให้เข้มแข็งขึ้น นี่ให้พากันพิจารณาให้เห็นอ น, นิสงแห่งความพร้อมเพียงกันมันย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญคนเราอย่าไปคิดเอาแต่ตัวรอดผู้เดียวพอจะามาเกิดในโลกนี้เราก็ยังมาเกิดกับคนหมู่มากถ้าลองนึกว่าดภาพดูถ้าตนเกิดมาแล้วอยู่ผู้เดียวแล้วเหงาตายแน่นอนเลย ไม่รู้ว่าจะพูดจาภาศัยกับใครเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็ไม่ทราบว่าใครจะมาช่วยดูแลนั่นแหละเมื่อเราวาดภาพดูแล้วเราอยู่ไม่ได้อยู่คนเดียวแน่นอนเลยเมื่อคิดเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ต้องพยายามประสาน ม, มิตรไตรจิตต่อกันอยู่ร่วมกันนะ ผิดเล็กๆ น, น้อยก็น้อยก็อภัยให้กันไปไม่ถือสาหาความอย่างนี้เมื่อเราไม่ยึดเอาความชั่วไว้แล้วต่างคนต่างก็ไม่ยึดเอาความชั่วแล้วเอาแต่ความดีเป็นเครื่องผูกมิดไมตรีต่อกันและกันเช่นนี้มันก็ดีเรื่อยไปไว้สวิตไสของสามัญชนคนธรรมดา มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมันย่อมมีผิดบ้างมีถูกบ้างอย่างนี้ถ้าผู้ใดรู้ตัวว่าตนผิดตนพลาดไปไปล่วงเกินผู้อื่นบอกนี่ก็ขอโทษขอโทษเพื่อนเมื่อเพื่อนอาโหสีกรรมให้แล้วโทษทั้งหลายนั้นมันก็ระงับดับไป ถ้าผู้ใดไปล่วงเกินผู้อื่นด้วยความประมาทด้วยเจตนาอย่างนี้แล้วไม่ขอโทษผู้นั้นไม่ได้ให้อโหสิกรรมอย่างนี้มันก็มีโทษติดตัวไปอยู่นั้นแหืมต่อไปเบื้องหน้าต้นก็ถูกเพื่อนลุกลานเอา กระทบกระทั่งเอาให้เจ็บ อ, อกเจ็บใจให้เดือดร้อนไปอยู่นะ น, นะนี่แหละคนบางคนก็เป็นอย่างนี้แหละคนบางคนนะ่ะแม้จะทำดียังไงแต่ก็มีผู้รังเกียจมีผู้ไม่ชอบหน้าชอบตาแต่ปัจจุบันนี้เขาทำดีคนนั่นนะ่ะอย่างนี้นะ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็แสดงว่าต่ชาติก่อนนั้นเขาทำไม่ดีมาไปชอบลุกลานคนอื่นไปชอบเย้ยหออยันดูถูกดูหมิ่นคนอื่นไม่สำรวมระวังตนไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นกรรมนั้นมันก็ติดตามมาสนองเอาถ้าผู้ใด รู้ว่าตนของตนเป็นอย่างว่านี้แล้วก็ให้นึกถึงกรรมเวรที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนอย่าไปโทษคนเอ็นว่าทำให้ตนเป็นทุกข์เดือดร้อนโดยส่วนเดียวต้องโทษตัวเองด้วยถ้าตนเองทำดีมาแต่ก่อนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เหย็ดย้มดูมิ่นใครไม่กระทบกระทั่งใคร อย่างนี้เนี่ยเมื่อเกิดมาชาตินี้มันก็ไม่มีศัตรูเลยมีแต่ผู้จงรักภักดีไม่มีใครคิดดูถูกดูหมิ่นอิศราศิยาต่างๆนานาเนี่ยพากันระลึกไว้พิจารณาไว้คนส่วนมากมันไม่ยอมรับกรรมไม่ยอมรับผลแห่งกรรมที่ตนทำมา มักจะไปโทษแต่ผู้อื่นถ้ากรรมเหล่านั้นตามมาให้ผลเนะนี่ยเป็นยังไนถ้ากรวจดูกายวาจาใจของตนในปัจจุบันนี้ตนก็ทำดีไปอยู่อย่างนี้นะแต่แล้วมันก็ไปไม่สบอารมณ์ของคนใดคนหนึ่งเข้าเขายกโทษติเตียนมาอย่างนี้ ก็ให้นึกเสียว่าเอ็นจะเป็นกรรมในอดีตมันตามมาสนองเอานี่อ้าวเราต้องอดต้องทนต่อไปเราจะไม่ทำอย่างนั้นอีกเราจะสำรวมกายวาจาใจให้ดีเราจะตั้งอยู่ในความอดความทนอดทนต่อคำด่าว่าเสียสีดูหมินดูแคนต่างๆนั้นนา อดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในกายในใจเกี่ยวแก่โรคภัยไข้เจ็บเกลียดปีนเกี่ยวแก่กิเลสทุกรานจิตใจเช่นนี้ถ้าไม่อดทนแล้วมันก็แปรสภาพไปจากดีเป็นชั่วไปได้เลยคนเรานะถ้าไม่ระ ง, งับกิเลสในหัวใจได้นะสะสมกิเลสให้มันหนาแน่นขึ้นอย่างนี้ มันจะประพฤติให้ดีเป็นปกติไปไม่ได้ลักษณะของกิเลสเนะ่มันวอกแวกไม่สงบไม่เยอกเย็นมีแต่จูงใจให้ใช้กายวาจาทำชั่วพูดชั่วไปมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นผนะู้ได้รู้ตัว อย่างนี้แล้วก็อธิษฐานใจละเว้นมันไปเลยไปไม่ชอบใจกับกิเลสเหล่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้นั้นก็จะเป็นผู้ได้รับความสุขมากกว่าความทุกข์การเกิดมาในโลกนี้นะเพราะว่าเพียรพยายามละกิเลสอันอยาบค้ายรายก้กาศต่างๆให้เบาบาง ออกไปจา ก, กจิตใจเรื่อยไปไม่ถอยหลังมไม่ใช่อื่นไกลเนี่ยคนเราเป็นทุกข์เกิอดร้อนจิตใจอยู่นี่ก็เพราะปล่อยให้กิเลสมันเผารนนั่นเองไม่เห็นโทษของกิเลสไม่อดไม่ทนต่อหน้ากิเลสไม่ภากเพียนพยายามละมันไม่อธิษฐานใจละเวน้น เมื่อไม่อธิษฐานใจละมันมันก็ไม่ออกไปจากกิจใจนี่กิเลสต่างๆให้เข้าใจดังนั้นพระองค์เจ้าจึงตรัสบา ร, รมีไว้เรียกว่าอธิษฐานบา ร, รมีความอธิษฐานในใจนี่มันก็เป็นบุญบา ร, รมีอันหนึ่งอย่าไปลืมเลือนต้องน้อมเข้ามาสร้าง อธิษฐานบา ร, รมีให้เกิดมีขึ้นในใจของตนอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าตนเกียดคร้านอย่างนี้นะไม่ค่อยเอาไหนในหน้าที่การงานข้อปฏิบัติเมื่อพิจนารณาดูแล้วความเกียดคร้านนี้มันจะพาให้ตนตกทุกข์ได้ยากลำบากต่อไปแน่นอนทีเดียว เพราะเกลียดข้านแล้วการกระทาความดีทั้งหลายก็ได้น้อยออไม่มากเลยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ต้องตั้งสัจจะอธิษฐานลงไปว่าข้าพเจ้านี้เห็นโทษแห่งความเกียดข้านอ่อนแอเฉยชาแล้วอต่อเ น, นี้ไปจะเป็นคนหมั่นขยันทําข้อวัดปฏิบัติทําความดีทุกอย่าง ที่กําลังกายกําลังใจมันนํานวยให้เป็นเสียจะเจ็บไข้ได้ป่วยมันจำเป็นอันนั้นนะจะต้องรักษายิวยาไว้ก่อนหายเจ็บไข้ป่วยแล้วไปทำงานต่อไปเมื่อมีการอธิษฐานอย่างนี้บ่อยบ่อยเข้ามันก็มีการสังวรระวังสิวันนี้นะ นั่นแหละจิตใจมันก็มั่นอยู่ในความดีได้เพราะเราอธิษฐานแต่ละทีกุศลกุศลความดีต่างๆมันก็เกิดขึ้นในใจก็ทำให้ใจสงบงประนับเบิกบานอยู่เพราะว่าเราอธิษฐานเอาบุญกุศลเอาความดีเข้าไปใส่ไว้เราไม่ได้อธิษฐานเอาความชั่ว ดังนั้นเมื่อความดีมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ทำให้ใจเบิกบานผ่องแผ้วเป็นอย่างนั้นเหมือนผงซักฟอกเมื่อผ้ามันเศร้าหมองมันติดแปดเปื้อนชิงโสโคกอกเอาไปแช่เอาไปแช่ในน้ำมีผงซักฟอกละลายเข้าไปผงซักฟอกนั้นจาก ทำให้สิ่งโสโครนั้นละลายไปหายไปจากผ้าที่สะอาดอยู่นั้นเมื่อฟอกเมื่อขยี้ล้างน้ำสะอาดดีแล้วคราบสกปรกเ่านั้นมันก็หายไปผ้านั้นก็ขาวสะอาดอยู่ตามเดิมทา ธ, ธรรมดาผ้าสีขาวมันก็ขาวมาใจเดิมมันอย่างนี้นะ เมื่อมันมีสิ่งสกปรกต่างๆมาแปดเปื้อนเข้าไว้มันก็ทําให้ดําๆด่างด่งไปฉันใดจิตใจคนเราก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อปล่อยให้กิเลสมันครอบงาสะสมกิเลสให้เกิดขึ้นในใจเท่าใดมันก็มาทําใจที่เคยผ่องใสมาแต่ก่อนนั่นมัวมองไป อืก็ฉันนั่นแหละนี่ต้องให้เข้าใจดังนั้นนะจึงต้องอธิษฐานใจเราจะไม่คิดเราจะไม่พุงแตง่งกอารมณ์ที่มันก่อให้เกิดราคะโทสะโมหะมานะทิฐิต่างๆอมเมื่อมันเกิดขึ้นมาเราเผอเรามันเกิดขึ้นเรารู้ตัวเราจะ อธิษฐานใจละทันทีตั้งใจว่าอย่างนี้อธิษฐานใจว่าอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็มีสติแล้วแบบนี้นะอออมีสติระลึกได้เมื่อเวลาจิตใจมันมัวหมองมันก็กลัวดูเพ่งดูมันมัวหมองเพราะอะไรมันก็รู้ได้พอมัวหมองเพราะจิตไปยึดเอาอารมณ์มันชั่วเข้ามา ไว้ในตนจิตไปยึดเอาอารมณ์ที่ให้เกิดราคะความกำหนัดยินดีจิตไปยึดถือเอาอารมณ์ที่ให้เกิดโทสะพยาบาทไวใ้ในใจจิตไปยึดถือเอาอารมณ์หรือเอาเรื่องที่ก่อให้เกิดความหลงเห็นผิดเป็นชอบไว้ในใจนั่นแหละจิตมันยึดถือเอา กิเลสต่านี้ไว้ในใจแล้วมันก็มันก็ประพฤติไปกระทาไปตามอำนาจของกิเลสอันนั้นเลยเช่นผู้ยึดเอาราคะตัณหาไว้ในใจเช่นนี้ใจมันก็สอดส่หาแต่รูปเสียงอันที่ตนรักตนชอบใจอยู่นั้นไม่ลด ลาวาสอกอะไรเลยตามองเห็นรูปอะไรที่น่าชอบใจแล้วมันก็เอามาวิทกวิจาร์เพือให้เกิดความรักความใคร่อย่างรุนแรงขึ้นมาอย่างนี้นะนี่แหละเรียวกว่าบุคคลผู้รู้อำนาจแก่กิเลสตัณหาไม่ยอมทวนกิเลสตัณหา มีแต่ไปตามันมันก็ย่อมก่อให้เกิดความเศร้าหมองขึ้นมาในใจิตใจให้พึงเข้าใจอย่างนั้นถ้าใจมันเห็นโทษของราคาคกรกหนัดยินดีด้วยปัญญาจริงๆแล้วมันก็ไม่ส่งเสริมนี่เมื่อมันเผอเกิดขึ้นมาก็รีบรังงับเพ่งอสุภะกรรมฐาน อันเป็นคู่ปรับกับกิเลสเหล่านี้มเมื่ อ, อสุภาณิมิตบางเกิดขึ้นในจิตแล้วมันก็คลายกองกำหนัดลงได้เพราะว่าแต่ทีแรกเห็นผิดไปว่านึกว่ารูปนั้นสวยงามอย่างนี้นะมันเห็นผิดไปจากความเป็นจริงทันพอเพ่งดูจริงจังเข้าไปแล้วไม่มีรูปใดสวยงามเลย โดยเฉพาะรูปคนนี่แหละสำคัญกว่ารูปวัตถุสิ่งของอืนอ่นๆเลยดังนั้นเมื่อเพ่งพิจาราดูรูปอันนี้ให้ทะลุทะลวงเข้าไปถึงภายในอวัยวะร่างกายนั้นแล้วจะเห็นว่าไม่มีอะไรสวยงามเลยสวยแต่ผิวนอกหนังหุ้มอยู่แล้วบุญกรรมก็ตกแต่งให้ผิวพันวันะ น, นี่ขาวเหลืองบ่ แดงและเลือดอะไรอย่างนี้มันก็เกี่ยวกับโลหิตนั่นแหละมันไหลมันโลหิตมันมากมันสมดุลกันมันก็เลยไหลซ่านไปตามผิวหนังนั่นทำให้เกิดสีเนื้อขึ้นมาเขาว่าสีเนื้อจะเหลืองแท้ก็ไม่ใช่จะแดงแท้ก็ไม่ใช่จะขาว ทั้งหมดล้วนๆก็ไม่ใช่มันมีเหลืองปนอยู่มันมีสีแดงปนอยู่กับขาวมันทำให้เกิดน้ำเกิดนวลขึ้นมาคนมองเห็นเขาแล้วก็ชอบใจในผิวพันวันนะอันนั้นมันเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะก็เพศกงกันข้ามเละ อางนั้นอย่าไปหลงอย่าไปหลงแค่เปลือกนอกเหมือนอย่างคนสร้างบ้านแปลงเรือนถ้าไปเอาไม้ทั้งเปลือกทั้งกระพี้มาทําเสาทําเครื่องบนเอมันก็ผุพังมีหมอดมีอะไรกินขูลงมาใส่ตาสิน่นเองเอนั่นเขาสร้างบ้านสร้างเรือนเขาจึงถากเปลือกถากกระพี้ออกให้เลือดแต่แก่น อันนี้ทั้นใดก็อย่างนั้นแหละแต่เรามาภาวนาเพ่งพารณาเห็นว่าชั้นห้าหรือว่าร่างกายสังขารนี่ไม่มีสาระแขนสารอะไรเลยถ้าหากว่าจะมายินดีพอใจอยู่ในรูปในนามอยู่อย่างนี้มันก็จะต้องได้มาอาศัยรูปนามอยู่เนี่ยจิ ต, ตรวงนี้นยะ เมื่อรูปนี่แตกลับไปมันก็เล่ล่อนไปอาศัยอยู่รูปอื่นต่อไปแต่ถ้ามันได้มาอาศัยในรูปมนุษย์นี่ก็ยังชั่วหน่อยแต่เมื่อทำชั่วลงไปแล้วนะมันจะไม่ได้มาอาศัยอยู่ในรูปมนุษย์นะมันจะไปอาศัยในรูปสัตว์ที่ไรฉานบ้างประเบ้งางนรกบ้างไปอย่างนั้นเนะี่ย ผู้ยึดถือเอากรรมชั่วไว้ในตัวเป็นอย่างนั้นผู้ยึดถือเอาราคะยึดถือเอาโทสะยึดถือเอาโมหะไว้ในใจแล้วเช่นนี้มันก็กิเลสตัวนี้มันมีอำนาจนิบัีิตนสร้างมาขึ้นมามันก็บังคับใจให้ใจบังคับกายวาจาทำชั่วพูดชั่วไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม ถ้าเป็นนักบวชก็เรียกว่าประพฤติผิดพรหมจรรย์ในแก่บริโภคกรรมคุณนั่นเองเนี่ยกล่าวมุสาวาตดื่มสุตราเมรัยกัญชายาพินเฮโรอีนต่างๆแนี้มันก็ล้วนแต่จิตใจตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสังกล่าวมานั้น เพราะฉะนั้นให้พึงพากันสังวรระวังจิตใจไว้ให้ดีๆมิฉะนั้นเราก็จะไปจมอยู่ในห่วงแห่งกองทุกข์ในชาติต่อๆไปนะนนจะงอกเงยมาหาความสุขไม่ได้บาปกรรมที่ทำเหล่านั้นมันก็ควบคุมจิตใจให้อาศัยอยู่ในร่างอัน ไม่น่าพึงปรานาดังที่ตำราท่านกล่าวไว้ในร่างสัตว์นรกในร่างเปรตโมนีร่างในร่างเปรก็น่าเกลียดน่ากลัวเมื่อเปรตมันแสดงตัวให้คนเห็นบางคนนะร่างสัตว์นรกก็เป็นร่างที่น่าเกลียดแหละบ า, บาปบากรรมตกแต่งแล้วไม่มีร่างรูปใดที่จะน่ารักน่าใครไม่มีหรอก นี่เราต้องเชื่อพระปัญญาตรัสรูของพระพุทธเจ้าถ้าไม่เชื่อแล้วก็ไม่สามารถจะละ ก, กิเลสเหล่านี้ได้เลยแล้วก็ไม่กลัวทุกข์ถ้าไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรูของพุทธเจ้านะนันก็ไม่กลัวทุกข์แหละคนเรานะให้พากันเข้าใจเมื่อไม่กลัวทุกข์แล้วก็ไม่อยากทนทุกข์แ น, นี้นะ เมื่อไม่อยากคนทุกข์แล้วก็ไม่ภาคเพียนพยายามแสแวงหาทางออกจ า, ากทุกข์มันเป็นอย่างนั้นเรื่องทุกข์นี่แหละอย่าพากันลืมเลือนเมื่อเห็นทุกข์แล้วทุกข์มันก็เตือนใจให้แสแวงหาทางออกจ า, ากทุกข์แหละเหมือนอย่างคนเจ็บป่วยปวดท้องหรือว่า เจ็บแผลอย่างนี้นะมันมันจะไปนอนเจ็บอยู่เฉยได้เลยตนไปไม่ได้ก็วานขอให้ญาติพี่น้องหามใบใส่รถใส่ลาไปโรงพยาบาลถ้าทนพอไปไมได้ก็ต้องเดินไปหาหมอนี่คนเจ็บป่วยต่างๆมันจะไม่ยอมนอนงอมืองอเท้าอยู่เฉยอะ่ะอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบคุคคล เห็นว่าความทุกข์ใจนี่เนีะ่ะมันก็ไม่ใช่ย่อยนี่นะความทุกข์ใจนี่หมายความว่าจิตใจไม่สงบระ ง, งับจิตใจวุ่นวายเดือดร้อนเศร้าหมองขุนมัวหมนูนี่มันเป็นทุกข์หลายอย่างจริงอ่ะเพราะความทุกข์ที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจอันร่างกายนี่เป็นทุกขลักษณะเป็นลักษณะของความทุกข์เท่านั้นแหละ แต่ตัวทุกข์จริงๆนราอยู่ที่จิตดวงนี้เท่านั้นเองนะดังนั้นน่ะเมื่อบุคคลใดมาระ ง, งับทุกข์ทางจิตอันนี้ได้แล้วจิตใจผ่องแผ่เบิกบานเกิดปัญญาแนละ้วยมันมันก็รู้เท่าทุกข์ทางกายเพราะร่างกายนี่นั่นมันบังคับไม่ได้จะบังคับไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายบังคับไม่ให้มันแปลปวนอย่างนี้ก็ไม่ได้เลย นี่เมื่อจิตใจของแพร่เบิกบนแล้วมีปัญญารู้เห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่วันไหวไปตามเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แล้วจิตมันก็ไม่วันไหวไปตามร่างกายนั่นเพราะมันรู้ว่าไม่ใช่ของเราดังคำไม่ได้เมืม่อเป็นเช่นนี้ทายัางไงอ่ะ อ, อดทนเะยแม้ว่า จะรู้เท่ากันใดรู้แจ้งกันใดก็ช่างนะมันก็ยังรู้สึกทุกข์อยู่นั่นเลยรู้เจ็บรู้ปวดรู้ร้อนรู้หนาวแต่ต้องตั้งอยู่ในความอดทนมาเนี่ยนะอดเอาทนเอาไม่แสดงอาการกวนกวายเกินขอบเขตถ้าผูใ้ใดอดได้ทนได้อย่างนี้แสดงว่ารู้เท่าทุกข์ให้เข้าใจเพราะไม่ถือว่า ขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนทุกมันก็แผงอยู่ในขันห้านั่นแหละเมื่อรู้ว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนแกก ต, ตนนนนนนท่ทุกก็ไม่ใช่ตัวตนเมื่อเป็นเช่นนี้จะไปหวั่นไหวกับมันทำไมเพราะทุกก็ไม่ใช่ตัวตนชั้นสุดแม้แต่ดวงจิตนี่มันก็ไม่มีตัวตนอะไรมันเป็นแต่เพียงภาพรู้เท่านั้นเองนะ พิจารณาให้มันทั่วถึงหมดเลยถ้าพิจารณาเพียงเท่านี้นี่มันก็จะหลงเห็นผิดไปอีกแหละอันนี่อา้าวถ้าอะไรก็ไม่ใช่ตัวตนของตนเป็นของว่างเปล่าแล้วอย่างนี่ก็ไม่ทราบว่าจะทําดีไปทําไมอ่ะไม่ทราบว่าจะฝึกตนไปทําไมอืมมันจะเกิดความเห็นผิดขึ้นมาอย่างนี้นะต้องระวังไว้ พ็ไม่ใชยของเราแนละ้วมันก็ปล่อยมันเป็นไปตามเรื่องของมันแล้วมันแตกกลับไปแล้วมันก็สูญหายไปเลยทั้งกายทั้งจิตเช่นนี้แล้วมันจะไม่ดีกว่าหรือมันเห็นไปได้ง่ายเหลือเกินแต่ตรงนี้น ะ, ะต้องให้เข้าใจไว้เข้าใจเช่นนั้นนะ่ะมันก็ยังไม่ไม่ถูกต้องอ น, นี้มันเป็นทางผิดไป คือดวงจิตตรงนี้ถึงจะไม่ใช่ตัวตนก็จริงแต่มันมีอำนาจเข้าใจตรงนี้ต้องสังเกตดูว่าจิตมีอำนาจได้ยังไงอ้อาวเรานึกว่าจะลุกขึ้ น, นมันก็ลุกขึ้นได้เลยนึกว่าจะเดินไปมันก็เดินได้นี่นึกว่าจะแบกกะหามของหนัก อา้าวมันก็แบกก็หามได้อย่างนั้นแหละอนุภาพของจนะิตนยให้คิดดูเรียก ว, ว่าจิตเมื่อถึงแม้ว่ายังไม่ได้ฝึกฝนอบรมละกิเลสมันก็มีอนุภาพอยู่ในตัวของมันสามารถทำให้ร่างกายน้ำหนักห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบกิโลเนี่ยเคลื่อนไว้ไปมาได้ล อ, องสังเกตดูให้ดี มันเป็นอย่างนั้นแต่แล้วถ้าจะปล่อยให้มันมีแต่อำนาจเพียงเท่านี้หนึ่งนะมันตัวจิตนี่นะมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้มันก็จะไปใช้ากายวาจาทำชั่วพูดชั่วดังกล่าวมานั้นแล้วก ร, รมชั่วนั้นมันก็จะนำดวงจิตนี่ไปเกิดที่ทุกข์ยากลกำบากนี่ ให้พาพี่นาเห็นอย่าไปเข้าใจว่าจิตนี่ว่างจากสัตว์จากบุคคลแล้วมันจะถูนไปเลยไม่ใช่แล้วถ้ามันยังสร้างราคะโทสะโมหะขึ้นไว้ในใจตราบใดกิเลสเหล่านี้นจูงใจให้ใช้กายวาชาทำชั่วดังกล่าวมานั้นกรรมชั่วเหล่านี้แหละมันนำดวงจิตไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่หลังจาก ร่างกายนี่แตกสลายลงแล้วให้เข้าใจมันเป็นอย่างนั้นแหละต่อเมื่อใดผู้มาเห็นโทษแห่งราคะโทสะโมหะมาณติิตันหาความทยานอยากต่างๆมูนี่ว่ามันเป็นเหตุให้บุคคลเรากระทำกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างแล้วก็ได้เสวยผลคือสุขกับทุกข์คุกเข้าออ ก, กันไปในสงสารอยู่อย่างนี้ เพ่งดูด้วยปัญญาแล้วก็น่าเบื่อหน่ายไม่ใช่เหอเรอพอมีความสุขมาหน่อยหนึ่งแล้วเอาความทุกข์มันมาตัดร้อนความสุขนั่นหายเห็นร่ากายนี่เป็นสุขสบายไปชั่วระยะหนึ่งแล้วหน่อยหนึ่งพอมีโรคภัยเบียดเวียนมาอมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปหามีความสุขเป็นปกติไหมอย่างนี้นะ อย่างนี้แหละตอนเราต้องพิจารณาหลายแง่หลายมุมเข้าไปมันจึงได้เห็นว่าไอ้ทุกข์ท่านมีจริงแบบ น, นี้นะอืมทุกข์กายธรรมชาติของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันเป็นของไม่เที่ยงถึงบุญกรรมตกแต่งได้มันก็ยังแปรปรวนไปอยู่ ลักษณะอาการที่รูปร่างกายนี่มันแปรปรวนไปนั่นลหละคือทุกข์ทุกข์กายกายมันเที่ยงตรงอยู่ไม่ได้เลยนี่จิตใจนี่ถูกราคะโทสะโมหะเขารนเอาเพราะทนเป็นผู้สร้างมันขึ้นมามันก็เผาจิตนี่ให้เดือดร้อนไปเล่าร้อนไปอย่างนี้นะนี่แหละเหตุผลน่ะ ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเราปฏิบัติฝึกตนให้มีคุณธรรมอยู่ในใจเพื่อคําจัดกิเลสต่างกล่าวมานั้นให้ออกไปจา ก, กจิตใจให้ได้อืมเมื่อใจมันฉลาดขึ้นมาแล้วมันก็รู้ตัวแหละโอโ้ไปสะสมกิเลสไว้มันเป็นทุกข์เปล่าๆสิจะไปสะสมมันทําไมล่ะนี่เมื่อมันฉลาดขึ้นมาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่เมื่อจิตนี้ยังไม่ฉลาดแล้ว มันก็หลับหูหลับตาสั่งสมราคะโทสะโมหะให้เกิดขึ้นในจิตใจอยู่อย่างนั้นไงแล้วทุกข์ก็ตามมาอยู่อย่างนั้นอ่ามันเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นแหละเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจเพิกตนของตนอ่าเพิกจิต ด, ดวงนี้แหละให้มันเข้มแข็งให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณให้ได้ อาศัยบุญคุณนี่แหละเป็นกำลังใจทำให้จิตใจเป็นสมาธิได้ทำให้จิตใจเกิดปัญญาเพราะมีสมาธิเป็นมูลฐานดังแสดงมา